นี่ก็เป็นโอกาสที่ผู้ฟังธรรมทั้งหลายพร้อมทั้งผู้ปฏิบัติเราก็ได้มีโอกาสในการสร้างบารมีก็มีบทบทกลอนอยู่บทเนี่ย ก่อฟ้ากำหนดกฎกรรมนำชีวิตพรหมลิขิตขีดเส้นสุดเร้นหนีกระยาจกเข็นใจไพร่ผู้ดีล้วนแต่มีกรรมเก่าเป็นเงาตัวแม้มีให้กรรมเคราะห์เกาะตามติด จงทําจิตปราดกิเลสไร้เหตุชั่วและกําจัดตัดอวิชชาพามืดมัวจิงพาตัวพ้นสาบสิ้นบาปกรรมดังนั้นคนเราเนี่ยนะจริงๆกรรมฟ้ากําหนด หรือว่ากฎกรรมก็ดีหรือพรมลิขิตก็ตามจริงๆมันก็คือชะตาชีวิตนั่นเองบางคนก็พูดว่าโชคชะตาบางคนก็ใช้คำว่าเป็นเพราะฟ้าลิขิต พรมลิขิตสวรรค์บัรดาลอะไรก็สุดแล้วแต่จริงๆก็คือชะตาชีวิตซึ่งมีคำว่ากรรมเนี่ยมาเป็นสิ่งที่บรรดาลอีจริงๆต้องใช้คำว่ากรรมบรรดาลไม่ว่าจะเป็นกรยาจก ผู้เข็นใจผู้เป็นไพรตลอดถึงผู้ดีเอาโยมเวลาพวกเราเนี่ยเกิดในยุคที่ไม่ได้เป็นทาตกันนับว่าเป็นวาสนาแล้วก็โชคดีเราไม่ได้เป็นทาตยุคนี้แสดงว่ากรรมบิปาก ในการกดขี่ข่มเหงของพวกเราเนี่ยไม่มีกรรมตรงนี้เราเองก็ไม่ต้องมาใช้วิบากเยี่ยงธาตุหรือหนักซ้ำร้ายกว่านั้นก็คือเยี่ยงสัตว์อายมกัวควายสัตว์ทั้งหลายถ้าถามมาให้เลือก ก็คงไม่มีสัตว์ชนิดไหนหรือชนิดใดที่จะเลือกให้ตนมาเป็นสัตว์ตรงตากแดดตากฝนนอนจมอยู่กับกองคูดมูดตัวเองช่วงฝนตกบางทีข้อก็เปียกชื้นแฉะ ทั้งเหม็นทั้งอับทั้งชื้นทั้งเชื้อโรคจะยืนทั้งคืนทั้งวันก็ไม่ได้สุดท้ายเมื่อยก็ต้องล้มตัวนอนก็นอนจมอยู่กับสิ่งที่เป็นปฏิกูลทั้งหลายนั่นคือชีวิตที่สัตว์เลือกไม่ได้ต้องใช้คำว่าเป็นชะตากรรม และนั่นคือชะตาชีวิตของสัตว์ที่เขาได้รับคำว่าพ้นแห่งกรรมพ้นแห่งกรรมผลที่ตนได้กระทำไว้ดีชั่วถูกผิดบาปบุญคุณโทษนรกสวัสด มักผลนิพานก็สุดแล้วแต่ผู้ที่ได้สร้างกรรมจริงบรรดาลผลให้นั่นคือเป็นชะตาของสัตว์ที่ได้สร้างกรรมบีบากถ้าเป็นกรรมดีละ่ะก็ได้เสวยสุข ไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานกับการเป็นอยู่อันแ้งแค้นหรือการถูกกดขี่ข่มเหงรังแกหรือถูกอายุติรรมซ้ำเติมชีวิตคนน่าสงสารยมรมู้ไหมคนที่น่าสงสารและน่าเห็นใจที่สุดคือคนที่ ถูกอายุติธรรมรังแกนะจากผิดจากถูกเป็นผิดได้จากคนผิดก็เป็นคนที่ถูกได้เนี่ยนั่นจึงเรียกว่าเป็นอายุติธรรมถ้าจะโทษก็ต้องโทษแรงกันชักนำให้เราไม่สามารถแก้ต่างด้วยเหตุผล ต่างๆนานาหรือด้วยสิ่งแวดล้อมหรือต้องตกเป็นเบี้ยล่างหรือว่าชีวิตของเรามันด้อยค่าจนเขาไม่เห็นความสําคัญหรือเป็นชนที่เขาเหยียบไว้ได้ฉะนั้นใครก็ดีถ้าอยู่ในชีวิตถูกเหยียบถูกกดอยู่ ถ้าจะโทษตมาบอกโทษแรงกรรมแต่ไม่ต้องโทษตัวเองเพราะอะไรที่บอกไม่ต้องโทษตัวเองก็ในเมื่อเราไม่ได้ทาผิดอะไรไม่ได้สร้างกรรมใหม่ไม่ได้ทำกรรมชั่วไม่ได้พันพัว ก, กับสิ่งที่ถูกให้ร้ายต่างๆนานาแต่ว่า ชตาแรงกรรมเนี่ยยังส่งผลให้เราได้รับอันว่ากรรมบิบากที่เราได้สร้างเอาไว้ยังไม่สิ้นสุดถึงโยมจะร้องขอร้องจะแก้ตัวคำพูดทั้งหมดเหมือนพูดผ่านลม แล้วก็ลอยผ่านไปมันไม่มีตัวตนเสียงที่เราพูดมันเป็นแรงกรรมถ้าจะโทษก็ต้องโทษชะตาที่เราได้สร้างไว้แต่ไม่ต้องโทษตัวเองมีแต่ว่าเราจะต้องมีกำลังใจที่จะต้องต่อสู้อดทน แล้วก็ให้กำลังใจตัวเองเพื่อสร้างชะตาชีวิตใหม่แล้วแรงกรรมนั้นก็จะส่งผลไปสู่กรรมดีแต่พวกเรากำลังยื้กันอยู่บางคนก็ดำไม่ใช่ขาวไม่เชิง ยื้อกันอยู่ยังไม่รู้ว่าใครชนะใครแพ้ยื้อกันไปยื้อกันมาจึงบอกเออพวกเรานั้นจะบอกขาวก็ไม่จริงดําก็ไม่แท้ยังไม่ได้อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชัดเจนจะบอกเป็นมารเลยก็ไม่ใช่จะบอกเป็นฝ่าย เ, เทพเลย ก็ไม่เชิงฉะนั้นก็ต้องแยกให้ชัดเจนว่าเราอยู่ฝ่ายไหนกระยาจกเข็นใจไพรผู้ดีล้วนแต่มีกรรมเก่าเป็นเงาตัวชัดเจนท่านผู้รู้แต่ว่าล้วนแต่มี กรรมเก่าเป็นเงาตัวจะมาโทษเราตอนปัจจุบันไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทำผิดแต่มันมีแรงกรรมที่ยังส่งผลให้เกิดชีวิตของเราต้องใช้คำร่ากรรมลำบากยังต้องทนทุกข์ต่อความยากลำบากลำบน ต้องอดทนต่อไปจนกว่าฝนที่ตกหนักท้องฟ้าที่มืดคลืมจนกว่าสายฝนหยุดท้องฟ้าสว่างสวัยอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ากว่าจะถึงวันนั้น โอมต้องทนต่อคำว่ า, าแรงกรรมที่เป็นเงาตัวของเราเองจึงบอกโอกาสนี้บางคนทำดีเท่าไรความดียังไม่ปรากฏอย่าพึ่งหมดความหมายอย่าพึ่งหมดความหวังอย่าพึ่งสิ้นหวังอย่าพึ่งท้อแท้มันมีเงากรรมบังอยู่โดยเฉพาะอากุศลกรรม แต่สิ่งที่เราสร้างกรรมใหม่ชะตาชีวิตไม่เกินอีกชาติสองชาติก็จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนชะตาใหม่ฟ้าสดใสแผ่นดินชุ่มฉ่ำชีวิตเบิกบานสุขสำราญภายใน หัวจิตหัวใจมีแต่คนห้อมล้อมดูแลเอาเข้าใจฟืนไฟไม่ต้องติดมีคนสนิททำให้น้ำท่าไม่ต้องตักมีผู้สมัครรับใช้ยุกยาไม่ต้องหา มีผู้เฝ้าดูแลรักษาสบายชีวิตเมื่อถึงเวลานั้นก็ต้องขอเตือนสักนิดว่าก็อย่าหลงชะตาชีวิตที่กำลังพรั่งพร้อมอยู่ด้วยความสุขสบายเพราะว่าเรา ยังไม่อยู่เหนือของแรงกรรมหรือชะตาชีวิตยกเว้นต้องพระอรหันต์เท่านั้นที่อยู่เหนือชะตาและก็แรงกรรมเมื่อท่านสิ้นสุดกรรมนั้นก็ไม่มีเหตุผลอำนาจอะไรที่จะบันดาลให้ท่านไปเกิดอีก ใจนั้นจะเปลี่ยนนะถ้าเราจะเปลี่ยนชาตาได้แรงกรรมให้ยุติได้ต้องหยุดเกิดหยุดร้องว่าแฮปปี้เบิร์ a เดย์ทูยต้องหยุดร้องแล้วสถ า, าบานใดพวกโยมยังจัดงานองร้องแฮปปี้เบิร์ a เดย์ทูยอยู่เนี่ยนะยังไม่พ้นชาตาได้ก็ แรงกรรมอยู่ถึงบอกกระยาจกเข็นใจไพร่พุดด่ดีล้วนแต่มีกรรมเก่าเป็นเงาตัวแม้มิให้กรรมเขาเกาะตามติดมีวิธีก็คือพึองทําจิตให้ปราดหรือว่าปราดสจากกิเลส แล้วก็ไร้จากเหตุชั่วทั้งหลายยากกับตรงนี้ลำบากที่ต้องอดทนต่อสู้แพชนะก็อยู่กันตรงนี้เองจงทําจิตประราดกิเลสไร้เหตุชั่วทีนี้เวลาผู้ภาวนาต้องกำหนดพินิจพิจารณา จิตในจิตกำหนดอย่างไรรู้ภายในใจเป็นอย่างไรคนอื่นพูดไม่เหมือนตัวเองทำเรารู้อยู่เรารู้อยู่คนอื่นคิดไม่เหมือนตัวเองเป็นเรารู้อยู่กำหนดดู ปราดกิเลสไหมไร้เหตุชั่วไหมพึงทำจิตอย่างไรพระพุทธทเจ้าพึงตัดสอนเรื่องจิตในจิตในหนึ่งของสติปัฏฐานสี่รู้จิตในจิตยมว่ารู้แบบไหนยมต้องรู้ก่อนว่ามันมีอยู่สองฝ่ายมันมีอยู่สามฝ่าย อีกฝ่ายหนึ่งไม่ฝักฝ่เขาเรียกว่าเปน็นกลางกลางไม่เข้ากับใครดีไม่ใช่ชั่วมไม่เชิงเขามีหน้าที่ที่วางเฉยหรือเป็นอพยากตะธรรมเป็นธรรมกลางกลางแต่โยมต้อง กำหนดจิตในจิตจิตหนึ่งชั่วจิตหนึ่งดีจิตหนึ่งเป็นกุศลจิตหนึ่งเป็นอกุศลจิตหนึ่งทุกขจิตหนึ่งสุขจิตหนึ่งซื่มองจิตหนึ่งผ่องใสกำหนดให้ดีจิตหนึ่งดีจิตหนึ่งร้ายจิตหนึ่งเมตตาจิตหนึ่งเกลี้ยวกราอมกำหนดให้ดีจิตในจิตภายในจิตใครจะรู้จิตเรายิ่งกว่าเรานั้นไม่มี นักกวีทั้งหลายก็ทำนายจิตเราไม่ได้หมดสกปรกหรือสะอาดยากที่จะอย่างรู้จิตในจิตของบุคคลนั้นได้ยมเห็นไหมหน้ายิ้มแย้มใจเชื่อเชื่อหน้าซึมเศร้าตีร้องให้ใจหัวเราะร่าเริงร้องสึกษาอื่นภายในคึกคลืน โยมเห็นนักสแสดงไหมโอ้ oh. ชีวิตทุกคนก็เป็นนักสแสดงในเวทีชีวิตจริงหรือในจอเงินจอแก้วก็สุดแล้วแต่แต่พวกเราก็เป็นเหมือนนักสแสดง ท, ทําไมบทเสียใจโยมก็ร้องบทดีใจโยมก็หัวเราะร่าเริงบทดสุกสนานก็บันเทิงเริงร่า บทคิดบ้ า, บาอยากข่าตัวตายบทอยากจะไว้ไลายว่าจะทำอะไรทักอย่างเป็นจินเป็นอันขึ้นมามันก็เป็นละครชีวิตแต่ไม่ต้องผ่านกล้องหรือต้องมีใครกำกับเช่นยมกำหนดเองเพอกำหนดรู้เสร็จสติประทานสี่ผ่านไม่ผ่าน รู้จริงไม่จริงเห็นได้ไม่ได้ชัดไม่ชัดโยมต้องกำหนดให้ถนัดด้วยตนเองก่อนถามใจตัวเองเห็นความคิดตัวเองมองชีวิตตัวเองเป็นไม่เป็นมองให้รู้เห็นไม่เห็นดูให้เข้าใจบอกใครไม่ได้มันสับสนวุ่นวาย หรือมันสงบและเป็นสุขที่สามารถกําหนดรู้ได้ทิ้งบอกว่ามนุษย์ทําสิ่งที่ยากละเอียดเป็นนักวิทยาศาสตร์คิดคน้นได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นทางไหนพลังงานทุกอยาก่างเอามาสั่สร้าง แล้วก็มาเสริมสร้างมาพัฒนาไม่ว่าด้านไหนเทคโนโลยีด้านไหนยานยนต์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างทางเคมีก็ได้มาเป็นแพทย์รักษาก็ได้ทุกอย่างที่นี้กำหนดดูว่าเออเราแยกชัดไหม ไฟขาวไฟดำบางคนนั่งภาวนาสุดท้ายถอนหายใจสงบไม่ลงปลุงไม่ได้สงบไม่ได้เพราะปลุงไม่ลงมันมีเหตุผลอะไรที่ติดขัด ก็ไปขยับมันตรงนั้นมีเหตุผลอะไรที่ขยับไม่ได้เราก็ต้องเอาสติจิตกําหนดจดจอ่อแล้วก็ต้องขยับมันให้ได้ยกมันให้ออกบอกมันให้เป็นเข็นมันให้ไปออกจากที่ตรงนั้นเสีย ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้บอกแล้วว่าการปฏิบัติจิตในจิตรู้จิตภายในจิตแล้วก็จิตของเราไม่มีอะไรเลยที่เปลี่ยนไม่ใช่ต้องเปลี่ยนทำไมถึงพระอัญญากรธัญะญตอนที่องค์สมเด็จพระพุทธมิภพภาคโปรดแสดงธรรม พระัญยากุลัญญะเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมทำไมหยบพระ ญ, ญากลุลธัญะทำไมจึงเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมไม่ได้บอกว่ามีดวงตาที่มองเห็นคนมองเห็นสัตว์มองเห็นวัตถุ แต่ใช่ว่าอนญาวัตโพโกธัญโยอญญาวัตโพโกธัญโยอญยากโกธญะเป็นผู้เห็นแล้วหนอแล้วใช้กมารู้หนอนเห็นครั้งนี้ไม่ใช่เห็นธรรมดาเห็นแบบรู้มีก็มารู้เห็นรู้แสดงว่า ท่านเห็นสัจจะคือความจริงรู้ความจริงเป็นสิ่งที่ประเสริฐเห็นไหเห็นความจริงแล้วก็รู้ความจริงนั้นว่าเป็นสิ่งประเสริฐท่านจึงยกชีวิตดวงจิตตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันข้ามชั้นทุงอย่างไปสู่ความเข้าถึงกระแสพระอริยเบื้องต้น คือโสดาปฏิพั์และอีกไม่กี่วันก็เข้าสู่อรหันตผลแสดงว่าการเห็นสัจจะรู้ในสัจจะเป็นสิ่งประเสริฐสุดท่านัญญากณทัญญะสละได้ตั้งแต่ปัจจุบันที่หายใจย้อนไปสู่อดีต ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนท่านเข้าใจหมดแล้วแล้วก็รู้แจ้งหมดแล้วเห็นจริงตามความที่จะต้องดำเนินต่อท่านรู้ว่าจิตในจิตต้องมีหนึ่งไม่ใช่สองของพวกเรานี่มีสองไม่ใช่หนึ่ง ยื้อกันอยู่เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวสมบังผิดหวังก็มีอาการฟูมไฟแต่พระัญกชนทันย์พระท่านรู้สัจธรรมหมดแล้วจิตในจิตท่านรู้ว่าจิตภายในเหตุที่เป็นทุกข์ท่านกำหนดรู้ อันควรที่จะละและดับเหตุของทุกข์ท่านได้เห็นแจ้งแล้วก็ปฏิบัติแทงแทงชีวิตตัวเองไปสู่ความประเสดสุดไม่ได้หยุดอยู่ที่ตัวตนไม่ใช่อ้างด้วยเหตุผลที่เป็นทุกข์ท่านหลุดที่เหนือจาก ตัวตนของท่านและเหนือเหตุผลที่ยังเป็นทุกข์สิ่งใดที่ไม่เคยสละแล้วก็ไม่กล้าสละหรือยังสละไม่ได้วันนี้จิตของท่านทำได้อย่างที่พวกเราฟังอยู่ปฏิบัติเรื่องร้อยคนมันก็มีต่างกันไป ปัญหาของแต่ละคนก็มีกันแต่ละคนมันก็ต่างกันไปฉะนั้นอะไรใจของเรายังขมขืนกับมันยังขืนขมอยู่กับชีวิตจงทำจิตปราดกิเลสอะไรที่ยังผิดไม่ถูกต้องยังเป็นสิ่งชั่วร้ายอยู่จงทำให้ไร้เหตุชัว่ว บอกจิตภายในจิตรู้แล้วเมื่อรู้เสร็จสุขทุกข์ก็สว่างธรรมะก็เห็นแจ้งเห็นจิตรู้เวทนาเข้าใจปัญญาอันเป็นธรรมะชีวิตในร่างกายที่นั่งเดินยืนนอนสมองคิดนึกอยู่ก็ต้องมีคำว่าความตรึกความตรอง แล้วก็ใช้เหตุใช้ผลโดยอุบายที่ชอบโยนิสโสมนัสิกาตรีตรองพินิจพิจารณาใคร่ครนรู้เมื่อรู้เสร็จจึงกาจัดแล้วก็ตัดอวิชาคือความไม่รู้ทั้งหมดที่มืดบอด ที่ใจเราไปหลงติดหลงไขว่ควา้ากำจัดตัดอวิชชาที่มืดบอดทั้งหมดทีนี้ผู้ฟังผู้ปฏิบัติก็กำหนดดูพวกเราติดอะไรซศ้หมองกับสิ่งไหนทุกข์กับสิ่งใดวุ่นวายอยู่กับอะไรเดินร้อนอยู่กับอะไรอาจรมารจะบอกให้ ชีวิตร่างกายไม่สำคัญกว่าจิตใจเรื่องจริงคนทั้งหมดกำลังจิตกำลังใจทำอะไรก็บอกไม่อยากทำจิตใจคนเราพอท้อแท้โลกทั้งใบมันเหมือนกับหยุดแล้วก็ซึมเซาไปหมดแล้ว แต่พอจิตใจเบิกบานจิตใจสดชื่นโลกก็เหมือนมีชีวชีวาขึ้นมาแต่พอจิตใจนี่เศร้ามองชีวชีวาหายไปหมดถึงบอกคนดีๆล้มป่วยลงได้ถึงบอกเออฉะนั้นทำอย่างไรให้เรานะมีจิต ที่อยู่เหนือความทุกข์ตั้งอยู่แห่งความสุขฉะนั้นมนุษย์ที่เกิดมาต้องหากว่าความสุขอยู่ที่ไหนหนึ่งความสุขคืออะไรสสุขอยู่ที่ไหนสุขคืออะไรและถ้าสงสัยถามย้อนกลับอะไรเรียกว่าสุข พวกเราคิดว่าคำว่าสุขง่ายสอสเสือสรลอุขอไ ข, ข, ข่สุขเติมได้เยอะสุขสุสุก็เข้าไปยมเคยได้ฟังเรื่องของพระเจ้ากัปปินะั้ยเป็นพระราชาใช่เป็นสามัญชนธรรมดาเป็นพระราชาแต่รู้ไหมพระราชาองค์นี้ คอยอะไรเหมือนคนกระหายคอยหยาดฝนเหมือนชีวิตที่ดันด้นอดทนคอยชีวิตที่ตนหวังคือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าโยมใช่ไหมว่าพระเจ้ากับปินาเนี่ย เป็นผู้ที่คอยฟังข่าวเมื่อไรพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมและพระอริยสงเกดพอวันหนึ่งได้เห็นของอได้เห็นคาราวานพวกพ่อค้า ว, วั น, นิชที่มาเป็นคาราวานเกวียนมามาด้วยความเหน็ดเหนื่อยจากกรุงสาวัตถีมา พระราชาพระเจ้ากัปปินะก็สั่งพวกเซนามาอำมาทหารทั้งหลายราชบุรุษทั้งหลายบอกช่วยไปหาข่าวว่าเมื่อไรพระพุทธเจ้าตรัสรู้สแสดงธรรมและมีสาวกวันนั้นพวกคารวานที่มากับพ่อค้าเกวียนทั้งหลายมากัน ก็ได้ข่าวถามว่าเมืองสวัสดีมีข่าวอะไรบ้างที่สำคัญสำคัญพวกพ่อขาก็บอกก็ไม่เห็นมีอะไรสำคัญอ๋อมีอยู่เรื่องหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้วได้แสดงธรรมมีพระอริยส า, าวกแล้วโยมจะม่รู้เท่านี้เอง พอได้กลับไปทูลต่อพระเจ้ากัปปินะพระเจ้ากัปปินะกรีบส่งมาก็เสด็จมาพอรับสั่งถามตอบแค่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เท่านั้นแหละขนชูชันจิตใจเอิบอาบตัวนี้พองใหญ่ขึ้นมาดีใจ ถามถึงสามครั้งพอจบเสร็จพระราชทานทรัพย์สมบัติมากมายไก่กองจนกินไม่หมดใช้ไม่หมดในชาตินี้แล้วพระองค์ก็เสด็จต่อเลยไม่กลับสู่เมืองเลยสุดท้ายก็คือ สแสวงหาคำว่าความสุขและก็รู้ว่าความสุขของพระองค์คืออะไรและอะไรที่เรียกว่าความสุขพระองค์ทั้งๆนี้เป็นพระราชาอยู่แล้วมีมาเหสีมีนางกำนันเยอะแยะมีข้าทาสบริวารมีเสนาอามาตย์คอยให้ความสะดวกคอยให้คำปรึกษาทั้งหมด พระองค์พอทราบข่าวดีใจอลลนพลข้อมาไปเลยยมเชืว่าก่อนที่จะเฝ้าพระพุทธเจ้ามีแม่น้ำจุสายหนึ่งขวางกันน้นด้วยแรงศรัทธาไม่อาจที่จะรอวันคืนได้เพราะการรอครั้งนี้รู้สึกว่าเป็นการรอที่นานมากแล้วพอทราบ โยมใช่ไหมด้วยพุท ธ, ธานุภาพกับด้วยศรัทธาที่มีที่มีพุท ธ, ธานุสติได้อดิธานของให้ผืนน้ำจงเสมือนแผ่นหินแผ่นดิตเพราเราจะข้ามน้ำไปเฝ้าพระพุทธเจ้าโยมจช่วัดเสนามมาที่ติดตามมานับพัน สามารถข้อมาข้ามไม่จมน้ำด้วยพุทธานุภาพและด้วยศรัทธาที่มั่นคงต้องไม่มีสองนะศรัทธาที่ตั้งแน่วแล้วพอถึงฝั่งก็ได้สรบรับฟังทาครั้งเดียวโซดาปฏิพลดบรรดาลเสนาหมาัดติดตาม ได้เห็นธรรมหมดทุกคนแต่ที่ธํามาเชื่อที่สูงสุดคือเขามีวาสนาบารมีมาไม่น้อยเพราะพอฟังธรรมจบก็มีการขอบรประชาพระพุทธเจ้าได้ระลึกในพระชาติว่าจำนวนที่จะมาขอ บรระชาต่อเราเราสามารถที่จะใช้ฤทธิ์ให้อัตมาบริขารโดยมีบาทจีวรให้ปรากฏได้หรือไม่พระพุทธเจ้ายังต้องดูก่อนพอเล่นไปจึงบอกทราบว่าพระเจ้ากับอินนาเละกบริวารเซนามัดทั้งหมดเคยได้สร้างบุญถวายต่อ พระพุทธเจ้ามีนามว่ามหากัชปักไม่ใช่นึกจะเสกแล้วก็เสกได้ด้วยฤทธิ์ไม่ใช่นะต้องมีบุญเป็นตัวส่งเสริมไม่งั้นอย่างเช่นในสูตรหนึ่งเรื่องของพระไม่สามารถที่จะบาทจีวรบรรดาให้เกิดได้ ยงคิดดูเพราะเขาไม่เคยสร้างวาสนาถวายบาตรจีวรเลยแม้เป็นอรหันต์แต่ไม่มีบาตรจีวรพระพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะแสดงในฤทธิ์ที่ให้เกิดบาตรกับจีวรได้แต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกันได้บาตรจีวรครบหมดส่วนเมสีพอทราบข่าว วพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นเหมือนกันศรัทธาก็ไม่ได้น้อยกว่าพระเจ้ากับปีนะเสด็จตามกันออกผู้ติดตามทั้งหมดก็เหมือ น, นกันออกเสร็จก็ไปนั่งฟังธรรมเหมือนกันตอนนั้นพระองค์ได้บังไว้ไม่ให้เห็นก่อนกลัวจะเสียสมาธิบรรดาภรรยาทั้งหลายที่ติดตามมหาสามี พอฟังธรรมจบปุ๊บคำว่ า, าดวงตาเห็นธรรมคือเขาเห็นความจริงรู้ความจริงอันเป็นสิ่งประเสริฐข้ามพ้นความสงสัยลังเลทุกสิ่งทุกอย่างความวุ่นวั่นรำคาญใจทุกอย่างกิจที่โลเลอยู่เป็นหนึ่งเดียวหมดเลยขอออกหมด โยมดูว่าพลังศรัทธามาสนาบารมีเนี่ยเขาไม่ด้อยนะเขาไม่ย่อหย่อนเลยก็ได้บรรลุอีกฝ่ายนึ่งก็เป็นอรหันต์ฟังเข้าสองรอบคำถามว่า พอหลังจากได้บวชในสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้ากัปพินะเนี่ยจะนั่งนอนที่ไหนก็จะมีคำว่าอุทานอุทานาว่าสุกเนอสุขเน อ, ส, น อ, ส, นอสุขจิงเนอสุขจิงหน่อมันดาสาวกของพระองค์ที่เดินไปเดินมาก็เห็น สงสัยพระเจ้ากัปปินะมหากัปปินะยังติดสุขของกรรมมาสุขยังติดกรรมมาสุขอยู่จิอุทานมาสุขเนอสุขน อ, ขนอเรื่องทราบถึงพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็รับสั่งให้เขาเฝ้า พระกปินะทูลต่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าพระองค์รู้ว่าข้าพุทธองค์มีความสุขเช่นไรพูดแค่นี้เองนะพุทธิย่าประกาศทากลางเลยทากลางในองค์ประชุมบอกพระเจ้ามหากัปปินะไม่ได้สุขด้วยกรรมมาสุขแต่สุขด้วยในคขมะ ในคขมัสุขสุขจากการออกบวชสุขจากการไม่มีชีวิตอันพันพันเรื่องกิเลสตัณหาของโลกีวิสัยตัดขาดสับัันเลยไม่ใช่ขมัสุขแต่เป็นในคขมัสุขเป็นผู้ออกจากการออกจากเรือนแล้วสุกเนาสุกหนอสุกิงหนา ไม่ได้วงทรัพย์สินสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างที่มีมาที่ได้สละไปแล้วพรพูทถึงเอาสละก็เหมือนพระราชาตอนที่จะออกเสด็จตามพระพุทธเจ้าการะับสั่งว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่มีอำนาจทั้งหลายที่มีอยู่เราขอมอบให้กับเมหสสีของเราเป็นผู้ดูแลรักษาต่อ ยมรู้ไหมพอนางทราบว่าพระเจ้ากบินะออกพ้าพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยใช่ไหนสิ่งที่พระองค์ไม่เอาแล้วมันเหมือนของเสียของที่ทิ้งแล้วเหมือนเถระที่ถมออกไปแล้วจะให้เรารับได้อย่างไรเมื่อพระองค์ไม่ยินดีใช่ไหนเราต้องยินดีด้วย เพระมเหสีก็สละออกโหจิตใจไม่ธรรมดาแสดงว่าเขาได้โลกิยะสมบัติจนเพียบพร้อมหมดแลนยมแล้วสละโลกิยะสมบัติไปสู่ในคขมะโลกุตละสมบัติอีกครั้งแต่มาว่าเป็นการสมบูรณ์แบบคือสละสิ่งที่มี แล้วออกไปสู่ชีวิตที่ไม่มีพันธะผูกพันไม่มีความโกรธความโลภความหลงไม่มีจิตใจที่ยึดมั่นหมายผูกติดอยู่กับสิ่งใดจึงได้พบว่าสุขที่พระองค์หาคือสุขจากความไม่วุ่นวายหนอ แล้วสุขที่แท้จริงของพระองค์ก็คือความได้เป็นอิสระอันแท้หลับเป็นสุขปืนเป็นสุขเอาตอนเป็นพระราชาหลับสะดุง้งยังกลัวไหนจะกะบฏไหนจะมีข้าศึกมาประชิดเมืองแว่นแคว้นน้อยใหญ่ที่จะมาตีเมืองไหนจะกลัวอีกว่ามเหสีจะมีชู้อีก สารพัด ท, ที่จะคิดได้หมดนี่คือความคิดความสะดุ้งความระแวกเอไม่อยอมแต่บัดนี้สิ่งเหล่านั้นพระองค์ไม่มีเลยหลับเมื่อก่อนหลับไปแล้วทรงพระสุบินที่ไม่ดีอีกก็ให้โหนมาทำนายทายทั ก, กสะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่ตอนนี้พระองค์หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุขจริงอทานว่าสุขเนาะสุขจริงเนอสุขจริงหนาะแสดงื่อก่อนนี้สุขไม่จริงสุขสุขดิบดิบคงเป็นซอเสือสล่อูกไก่ไม่ใช่สอเสือสละอูขอไข่อันนี้เรียกสุขวีโมกไอ้นั้นเป็นสุขแบบสุขงอมสุขเน่าอ่ะนะคนละสุขกันสุขเนอสุขเนอสุขจริงหนอ เขาผ่านความสุขของโลกีพรั่งพร้อมบา ร, รมีทุกอย่างแล้วทรงสรรละสิ่งทั้งหลายที่มีที่เป็นจนได้ความว่าสุขสงบแล้วก็สุขแท้จริงที่ได้รับความเป็นอิสระหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่สะดุง้งไม่หวาดกลัวไม่คิดคร้ายแล้วก็ไม่ทำลายใครอีก มันโปร่งไปหมดแล้วข้างในก็สว่างสวัยภายในจิตรู้จิตเห็นจิตโลภโกรธหลงนี้หมดแล้วทำไมจึงบอกหมดกัเมื่อความโลภก็สละหมดแล้วไม่ใช่สละแค่ทรัพย์เหมือนที่พูดสละแม้แต่ก็บ่าหัวใจที่เป็นอนดีต ของโยมไม่กล้าสละกเราะว่าหัวใจที่เป็นอดีตอ้าวก็ก้านอยปฏิบัติจริงหลายคนปฏิบัติไม่กล้าสละหัวใจที่เป็นอดีตเก็บไว้ทาไมสลัถ้าโยมสละหัวใจที่เป็นอดีตไม่ได้ ถั่วใจมันมีแผลถูกกรีดมาเงี้ยยมนั่งยังไงยมก็เห็นแผลอยู่ยังรู้สึกกับมันได้ยมต้องสลายความรู้สึกมีได้ต้องให้มันดับสลายได้ทุกอยาก่างเราเริ่มจากสิ่งที่ไม่มี แล้วมาสัมผัสสัมพันธ์มาได้มาเจอมาเจอมามีมา เ, มามมาเป็นมารอเลาะดีใจร้องให้มาคบหาสมาคมมาเจอมาเจอมาอยู่มาร่วมมาพบมาจากกันสุดท้ายเราเองก็ต้องอยู่คนเดียวคือทางสายเปลี่ยวธรรมาไม่สงสัยแต่มารเรื่องนานแล้วตั้งแต่ชีวิตเริ่มออกบวชก่อนออกบวชธรรมาก็เริ่มรู้แล้วชีวิตคือทางสายเปลี่ยว ตมามองเห็นสัจธรรมข้อนมีนาพู้เจ้าได้แสดงว่าตนเป็นที่พึ่งของตนกรมมนาวตติโลโกโ ส, สัตโลกย่อมเป็นไปตามกรรมตมามบอกชะตาชีวิตของเราแรงกรรมของเราเป็นแบบนี้มันบีบไปเรื่อยๆบีบ ชตาชีวของเราไปเรื่อยเรืยเรืเรยเรืยรยรยบางทีก็จนตรอกบางทีก็ทางตันทุกคนในห้วงคิดหนึ่งมันต้องมีอะไรขึ้นมาหรือในขณะตัดสินใจในจิตขณะนั้นมันต้องมีอะไรที่เปลี่ยนเรา ยมเยอะความคิดในแต่ละเดือนแต่ละวันแต่ละปีนะ่ะมันเปลี่ยนพวกเราเยอะมากอาตมาเชื่อความคิดยมสิบปีก่อนเอามาคิดตอนนี้เข้ากันไม่ได้หลายหลายเรื่องมันถูกการนั้นแต่การนี้ไม่ใช่แต่อาตมาก็สรุปว่าสุดท้ายก็ขอบคุณขอบใจชีวิตที่ผ่านมาเรารู้จักเย็ด ทนต่อความเย็นเรารู้จักร้อนเมื่อร้อนต้องทนยังไงกับความร้อนเมื่อขาดผู้คนอยู่กับชีวิตตนเราจะทนได้ยังไงเราต้องหาตัวเองให้ได้แล้วก็ต้องใช้ชีวิตของตัวเองให้เป็นปกติเหมือนคนอื่นที่เขาเป็นเราก็เป็นลูกมีพ่อมีแม่เหมือนกันมีพี่มีน้อง มีสมหวังผิดหวังวอร์รร้องให้ได้มาจากไปมันเป็นสัจธรรมใครเจอก่อนหลังวันนี้คนนี้อาจจะได้ข่าวดีเขาวอร์เรากําลังรับเรื่องร้ายๆอยู่กําลังโศกเศร้าเสียใจกําลังตกใจอยู่แต่ไม่นานวันคนที่ได้รับข่าวดีกลายเป็นข่าวร้ายวันนี้เรา สิ่งไร้ายๆก็อาจจะกลายเป็นดีมาธรรมาจึงบอกเออดูให้จบชีวิตสนุกถ้าเราไม่ไปหลงทุกกับมันธรรมาบอกความทุกข์มันก็เป็นสิ่งหนักหนาอยู่แล้วกับชีวิตของทุกคนใ ย, ยเราต้องให้ความสําคัญกับทุกข์จนกินไม่ได้นอนไม่หลับต้องไปยึดมัน่นถือมัน่นต้องไป กอดกับความทุกข์ทำไมในเมื่อรู้ว่าไฟมันร้อนทำไมเราไม่เดินออกมาห่างๆมันอยู่ที่เราเข้าใจกับมันแค่ในบอกเราหัวใจเป็นอดีตพวกเราวางได้ไหมเจ็บก็ต้องวางได้ทุกอย่าง แม้สุขอดิตก็ต้องวางได้ทุกอย่างยมต้องวางมันเหมือนเรียนตำราพอเรียนจบไม่ใช่ให้แบกตำราเอาความรู้ในตำรามาใช้ตรงไหนใช้ได้ก็เอาใช้ตรงไหนใช้ไม่ได้ก็เป็นการประดับความรู้รอบตัวความรู้ที่เรียนมาศึกษา ม, มาไม่ใช่เอามาใช้ได้ทุกอย่างทุกเรื่องไม่ใช่เหตุการณ์ชีวิต มันยากที่จะทำนายว่าหัวหรือก้อยยมจะมาแค้นนักมวยระหว่างฝ่ายแดงกับฝ่ายนักเงินต่อยกันพนันกันยังมีคนหนึ่งแพ้คนหนึ่งชนะยากที่จะมันไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างนั้นตลอดขนาดโยนหัวก้อยทายดูโยมไม่ใช่ว่ามีมีทางเลือก ยแ ย, ยะแค่สองทางบางทียังผิดเลยท่นทุกอย่างตามบอกพระมหากรินะท่านอนดีตหัวใจของท่านท่านวางได้หมดเลยเคยสุขจากการมาท่านก็สลัก รูปเสียงกลิ่นรถกระทบสัมผัสใจถูกต้องอารมณ์น้อยใหญ่ที่ท่านเคยเสพมาท่านสามารถวางจนจิตนั้นอยู่เหนือกามกิเลสหรือกมามราคะความกำหนัดมองทรัพย์สมบัติจิตใจท่านอยู่เหนือวัตถุประเสริฐจริงๆ ท่านอยู่เหนือวัตถุยังไม่ติดทรัพย์สมบัติเคยได้รับความสะดวกสบายมีผู้คอยพนิบัติรับใช้ท่านก็ไม่ได้เห็นว่าเป็นความยิ่งใหญ่สำคัญอะไรท่านก็สลาได้ที่สุดโลกีสุขของโลกมนุษย์ท่านได้เสพสุขมาหมดแล้ว และท่านก็รู้ว่ายังไม่ใช่ความสุขที่ท่านต้องการแสวงหาหรือสุขแท้จริงเอาสมบัติมีการแย่งชิงอำนาจมีการแย่งชิงรักษาไม่ได้ภัยมานะอันตรายแต่ชีวิตที่ท่านเลือก ใครก็แย่งทันไม่ได้โซดาปฏิผลอัลลันดาผลใครแย่งไม่ได้เพราะต้องมาจากคุณธรรมของจิตแต่ละดวงของบุคคลนั้นๆสุทธิอสุธิปัจจัตตังนั้นโยอัญยังวิโสทะเยความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ก็เดินทำแทนเราไม่ได้มันเฉพาะตัวเอง เป็นเฉพาะตัวก็เซงว่าใครจะมาแย่งไม่ได้เงินทองโจรปล้นได้นะ่ะโยมพกไปกี่หมื่นกี่แสนโจรมานะส ก, กิจข้างหลังบอกอย่าเวไวย์ปืนกับมีดจี้อยู่มีเท่าไหร่ล่วงมาสมบัติภายนอกโยมถูกโจรปล้นแต่โจรปล้นอริยะสาวกไม่ได้ไม่ได้โอ้โถปล้นได้ น, นี่ต่อมาก็ไปปล้นแล้วโยม ยิ่จะมาจะปล้นอลันตผลก่อนเลยจะเป็นหัวโจกด้วยพายมไปปล้นเลยเอาพระในวัดไปปล้นป ล, ล้นอริยผลอริยมรรคอลันตผลอลัตมัรมาต้องมานั่งบาเพ็ญรอพบชาติอีกสบายแล้วชาตินี้บรรลุปล้นแล้ววันนี้ส่งอลันตผลมาเดี๋ยวนี้ไม่ได้ เพราะนั่นเป็นคุณธรรมบา ร, รมีขององค์นั้นนะเราไปไม่มีหรอกโยก่จะที่จะพล้นนะก็ท่านบอกต้องการอะไรก็รื้อไปแล้วกันรื้อได้เท่าไหร่ก็รื้อไปแต่อลัตตาผลเอาไปไม่ได้อาตมาให้ใครไม่ได้ใครก็ให้อาตมาไม่ได้ เพราะสิ่งนี้อยู่เหนือคําว่าแรงกลับอยู่เหนือชะตาแล้วไม่ตกอยู่แต้อํานาจของใครใครให้ก็ไม่ได้ให้ใครก็ไม่ได้ยืมไม่ได้ขอไม่ได้คือเรื่องของอรันตะผลยมดูพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาเพื่ออะไรเพื่อโปรดเวนยสัตว์ปรารถนาอะไรปรารถนาปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลาย ได้สู่อรันดำรักอรันตะผลแต่พระองค์ให้ไม่ได้ก็มีแต่บอกตู่ไม่ให้กิจจังอาตบังอาฆาตาโลตัทธากตาปฏิปนาพโมกขันติชายินโนมารพันธนาพระองค์แต่ว่าเราพัฒฐานกฏเป็นผู้ชี้บอกทางเท่า น, นั้นเห็นไหมขึ้นต้นงนี้นะเราพัฒฐานกฏเป็นผู้ชี้บอกทางเท่า น, นั้น เช่นถ้าเธอปฏิบัติตามคำพร่ำสอนของเราแล้วเธอจะพ้นจากบ่วงแห่งมานหรือจากพยามานโอมิหนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระพุ้มีพระพาาที่ตรัสไว้ดีแล้วสว่กขาโตพอผู้ที่ปรารถนาก็เป็นสุปฏิปัโนคือผู้ประพฤติตามปฏิบัติตาม สงสาวของพระผู้มีประภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติสมควรแล้วปฏิบัติชอบแล้วเห็นมโยมจึงบอกเออท่นั้นถ้าเราเข้าใจจิตในจิตภายในจิตเราจะรู้เลยแยกแล้วบุญบาปผิดถูกดีชั่วสุขทุกข์สุ ข, ทสขแท้จริงความปรารถนาชีวิตอันแท้ที่สุดภพชาติของเราเราจะอยู่เหนือจาก โลกโกรธหลงเพราะหนทางของอริยมรรยผลไม่เป็นหนทางแห่งการเบียดเบียนแต่หนทางของโลกียะยังเป็นหนทางของปุถุชนผู้ยังเบียดเบียนกันอยู่มันต่างกันนะต่างกันหนทางของเ่าอริยะไม่มีศาสตราวุต ท่านไม่ใช้ท่านใช้แต่คาว่าชี้ทางสว่างเมตตาทุกท่วหน้านำพาชีวิตสู่สันติสุขอยู่เหนือภูมิพบแห่งทุกทั้งมวลพระพุทธเจ้าเราในประกาศไม่ทรบมดาฉะนั้นขนาดพระราชาแท้ๆยมยัง เฝ้ารอพระพุทธเจ้าพอทราบเท่านั้นแหละสิ่งที่อยู่เหนือกว่าพระราชาพระองค์ทราบแล้วเราไม่ต้องการที่จะติดอยู่กับความเกิดที่เวียนว่ายไม่รู้จบไม่รู้สิ้นเพราะอะไรพระพุทธเจ้าเองเบเจาชายก็ยังออกเหมือนกัน ออกจากโลกีสุขเหมือนกันมาสู่โลกุตตรสุขเช่นพวกเรายิ่งเป็นผู้ใฝ่ธรรมผู้ปฏิบัติสุดท้ายโยมจะรู้คำตอบจิตในจิตภายในรู้แล้วรู้แล้วกำจัดกิเลสพอยมกำจัดได้นั่นแหละจึงเรียกว่าจึงพาตัวพ้นสาบสิ้นบาปกรรม พวกเราไมต้องไปชดใช้แล้วไม่มีกรรมวิบากไม่มีชะตาแรงกรรมที่จะบันดาลให้เราไปสู่ภูมิภพพอเราอยู่เหนือแล้วฉะนั้นตอนนี้เราเองแม้ยังไม่ถึงขั้นอริยมรรคอริยผลแต่เราก็กําลังเดินไปสู่หนทางแหง่งอริยมรรคอริยผล อย่างน้อยก็เรียกว่าเป็นผู้เบาบางอยมต้องพอใจนะคํานี้พวกเราเป็นผู้เบาบางพอถึงช่วงแห่งการอบรมปัญญาของแต่ละคนพออินทรีย์บา ร, รมีแก่โยมจะมองเห็นทุกอย่างเองที่เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมเพราะนั้นถ้ายมมีดวงตาเห็นธรรมนะ เมืองกับเรายือนอยู่บนที่สูงแล้วก็มองลงมาเห็นสัตว์กำลังเข่นข้ากาลังข้าฟันโจนกาลังแย่งชิงคนนั้นกาลังเผาบ้านคนนี้กาลังแย่งอำนาจคนนี้กาลังติดเสพการมสุขรคนนี้กำลังเยอะแย่งชิงอิสตรีกันคนนี้กำลังตองการเมืองอำนาจลบลาข้าฟันกันเรายิ่งมองเรารู้สึกเลยน่าสมเพช แล้วกฎกรรมมันก็หมุนเวียนกรรมมาให้เป็นชะตาชีวิตของเราต้องเป็นตามกรรมที่เราได้สร้างไว้อีกแล้วเมื่อไหรจะจบสิน้นนอกจากโยมเข้าสู่อรันตะผลเท่า น, นั้นเองเอาละก็ขอยุติในการบรรยายแต่เพียงตอนนี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเทิน